ยุงข้างในรู้จักไหมยุงข้างในใครได้เห็นยุงข้างในบ้างยุงข้างนอกนี่มันไม่เท่าไหร่จ้ะางทีมันมาเจาะนั่นเจาะนี้นิดหน่อยมันก็ไปแหละแต่ยุงข้างในมันควรตลอดสงบไหมภาวนาภาวนาเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าตั้งใจทําสงบไหมเย็นไหม หดหงิดไหมอึดอัดไหมฟุ้งไหมรำคาญไหมถ้าเผื่ภาวะแบบนั้นเกิดขึ้นเราจะทําไรเราจะแก้ยังไงถ้าเผื่ภาวะแบบนั้นเกิดขึ้นเราจะทําไรุดหดอ่าฟุง้งอ่ารำคาญอื บางทียุ่งจอมด้วยบางทีร้อนอบ อ, อ้าวด้วยบางทีอยากหลับอีกด้วยโอ้รู้สึกมันทุกข์เหลือเกินบางทีจิตใจมันไม่รู้มันสับสนไปหมดไม่รู้มันจะไปกับอะไรล่ะในที่สุดใจมันรีมันขวางใจมันขวางถ้าเจอภาวะแบบนี้ถ้าเราไม่รู้สึกตัวเราจะแก้ยังไงเราจะต้องรู้สึกตัว เราไม่รู้สึกตัวเนเราแก้ไม่ได้เผื่อคราวใดคราวหนึ่งบางทีมันไม่ใช่ไม่ใช่ไวจะเกิดทุกคราวไอ้ตอนที่มันเป็นเราไม่ทันมันนะมันเป็นไอ้ตอนที่มันเป็นใจเราไม่ทันมันทีนี้ช่วงไหนที่มันทันอ่ะช่วงไหนที่มันทันเราก็ไม่จับจับที่ความรู้สึกมุดหงิดอ่ะอะไรมุดหงิดกันแน่ถามลงไปดู ใจรู้สึกหงุดหงิดหรือว่ากายมันรู้สึกหงุดหงิดหรือว่าอะไรมันรู้สึกหงุดหงิดกันแน่หรือว่าอะไรฟุ้งหรือว่าอะไรรำคาญอะไรน่าเบือ่อเราย้อนไปเราถามไปเรากำหนดจับไปที่อาการที่กายก็ได้อาการที่กายเป็นยังไงเรากำหนดดูมาที่กายเห็นอาการของมัน บองที่นั่งนานปวดเราก็หมดมาเห็นอาการมันปวดเห็นอาการปวดที่กายร่างกายปวดเนี่ยตอนนี้เราได้งานทำแล้วนะพอเรานั่งมาสักพักหนึ่งครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีเนี่ยหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มปวดเ่ะบางคนนั่งไม่ทนปวดะเริ่มปวดแล้วเราจะทําไงเราจะแก้ยังไงไม่ใช่ว่าเรา หรือบรั่งให้มันไม่ใช่ตอนนั้นทุกขเวทนามันเกิดขึ้นทุกข์ขั์มันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสัจธรรมมันปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าเราเลยเราจะหลบไม่ได้เราจะหลีกไม่ได้เราจะหนีไม่ได้เราจะต้องจ้องดูมันดูว่าอะไรมันปวดถามลงไปว่าอะไรปวดดูร่รางกายปวดหรือว่าใจปวด เดวิธีการต่อสู้เราต้องต้องต่อสู้อย่างนี้เราจะต้องมีอาวุธติดมืออาวุธจะต้องมีติดไม้ติดมือนะอาวุธในที่นี้ก็คือ ส, ต, สติสัมปชัญญะระ ล, ลึกได้ฟื้นขึ้นมาได้ระลึกขึ้นมาได้หันอาวุธต่างๆเหล่านี้มาเป็นคู่มือมาเป็นเครื่องมือทันทีเพื่อที่จะต่อกรกับอาการที่มันเกิดขึ้นในกายนี้ในใจนี้ อาการมันเกิดขึ้นในกายกาันอาการที่มันเกิดขึ้นในใจอะมันเกิดขึ้นเฉาพาะหน้าเราเนี่ยที่เราไม่ทันมันเพราะว่าเราหลงที่ว่าเราหลงเพราะว่าเรามืดเราทึบเรามืดเราทึบเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ขัดเราไม่ค่อยได้เกาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพานั่งครึ่งชั่วโมงสิบิปนาทียี่สิบนาทีบางทีครึ่งชั่วโมงอะกระแสของจิตมันยังไม่รวมเข้ามาเลย ไม่รู้มันล่องลอยไปที่ไหนก็นไม่รู้ล่ะล่องลอยไปนะั้นอะไปบ้านนั้นเรือนนี้อะไปเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ไปเรื่องคนนั้นไปเรื่องคนนี้ไปบ้านนั้นไปเมืองนี้จิตใจมันว่อนมันยังร่้นหาที่หลงไม่เจอเลยกระแสะของจิตมันยังดึง ม, มาไม่ได้เลยอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกให้หนักฝึกให้มากทำให้มากมาก เป็นพาวิโตปาหลีกัโตพาวิโตเจริญให้มากบาหลีกัตโตท ำ, ทำให้มากมากเจริญให้มากทำให้มากเจริญได้ทุกขณะจิตทำได้ทุกขณะจิตยิ่งดีมันเป็นการปิดกั้นกระแสของกิเลสไม่ให้มันมาทับถมจิตใจของเราทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดที่มาปรากฏ ที่มาปรากฏเป็นเหตุให้จิตใจเราหงุดหงิดบ้างฟุ้งบ้างราคาญบ้างอะไรต่ออะไรบ้าง่ะคือกระแสของกิเลสนั่นแหะมันมาทับถมโจมตีจิตใจของเราเวลาเรานั่งภาวนาเราต้องกําหนดดูนั่นแหละของของแท้ของจริง่ะที่ปรากฏเฉพาะใจของเรานะั่นความหงุดหงิดก็คือความไม่ชอบใจความไม่พอใจนั่นแหละมันเกิดขึ้นความไม่ไม่ชอบใจความไม่พอใจก็คือตัวสมุทัยนะั่ะคือ มันอยากอยากไม่ให้มีอาการแบบนั้นดูให้เห็นนะอเขาเรียกว่าดูดูไปแล้วเห็นอาการที่มันอยากมันอยากไม่ให้มีอาการแบบนั้นมันอยากจะพ้นไปจากอาการแบบนั้นดูให้ชัดเจนลงไปนะตัวสมุทยัยความอยากมัจะแทรกเข้ามาตลอดความอยากความอยากก็คือตัวสมุทัยนั่นแหละ คือตัวตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากตัณหาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจย้อนไปดูที่ใจเราจะเห็นถ้าเราไม่ย้อนไปดูที่ใจเราจะไม่เห็นกิริยาการาของความอยากมันแสดงออกมาในรูปของกามตัณหายากติดในกามวัตถุกามของใช้ไม่สอยทั้งหลายทั้งปวงเป็นวัตถุกามรวมไปถึงสัตว์บุคคลบ้านช่องเรือนชาน อ่าตึกรามบ้านช่องรถยนต์รถอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นวัตถุกามทั้งนั้นรวมมาถึงของอยู่ของกินของขบของฉันเนี่ยเป็นวัตถุกามจิตใจมันหมกมันมุ่นมันวุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกามใคร่ไคร่ในวัตถุอืวัตถุเป็นเหตุแห่งความใคร่วัตถุอันใคร่อะไรเป็นตัวมาใคร่ อะไรเป็นตัวมากกำหนัดอะไรเป็นตัวมากไครตันหาเป็นตัวมากกำหนัดเป็นตัวมากไครกิริยาของมันเป็นยังไงมันอยากเราดูออกไม้มอาการอยากที่มันมีอยู่ในใจของเราดูออกไหมมันละเอียดอยู่นะแต่ถ้าเราพยายามดูเนี่ยเราดูออกเราดูเห็นอาการของความอยากถ้าเราดูเห็นอาการของความอยากตรงนี้ อยากในรูปในรถในกลิ่นในเสียงในอะไรก็ตามแต่เราดูแล้วเราตราประทับเข้าไว้เลยว่านี่แหละคือกามตัญหานี่แหละคือกามตัญหาโอกาสที่มันจะอยากเงินยังกลมอยากนั่งภาวนาอยากทําจิตให้สงบอยากปฏิบัตริรักษาศีลปฏิบัติธรรมความอยากอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่มันเป็นความอยากที่เป็นมาก มันเป็นความอยากที่ทําให้เกิดคุณไม่ใช่ไม่ใช่ความอยากที่ทําให้เกิดโทษอมันคนละสถานะกันความอยากเหมือนกันะความอยากเหมือนกันแต่มันอยากคนละสถานะความอยากอันหนึ่งเป็นเหตุดึงจิตของเราไปให้ได้รับกองทุกได้รับความทุกขนะ์เป็นการกดจิตของเราให้จมลงให้ดิ่งลงความอยากอีกอันนึงเนี่ยนะมันเป็นการพยุงจิตของเราให้สูงขึ้นให้เด่นขึ้น ให้เบาขึ้นให้ลอยขึ้นให้ฟูขึ้นให้สว่างสวัยขึ้นความความอยากอย่างหนึ่งะดึงจิตของเราไปให้อยู่ในที่มืดที่บอดบอดจนมองไม่เห็นอะไรนะมืดจนมองไม่เห็นอะไระไม่รู้งูสางูเหางูจงอางอะไรอยู่ในนั้นทั้งหมดอตาขาบแมงปองอยู่ในนั้นเต็มไปหมดไม่เห็นพิษภัยของกิเลสทั้งหมดเหมือนกับอสสตพิษต่างๆเหล่า น, นั้นแหละเราไม่รู้ดอกอมันมาแฝงตัวอยู่ในที่มืด อะไรมืดใจมืดมกิริยาของใจมืดเป็นไงความลุ่มหลงของใจนั่นแหละคือใจมืดมันไม่รู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ปลายไม่รู้เหตุดีเหตุชั่วเหตุสุขเหตุทุกข์เหตุอะไรไม่รู้แหละว่าจะมีความอยากเข้ามาในเกาะทันทีมีความอยากเข้ามาเกาะทันทีเกาะทันทีเกาะแนบสนิทิจใจทันทีมีความอยากภ า, า, กกกกใายาในจิตของเรานะกาตันหาภาวะตันหาอยากมีอยากเป็น อันนี้มันไม่ใช่วัตถุแต่อยากมีอยากเป็นอยากเป็นผู้ว่าอยากเป็นนายอำเภออยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจอยากเป็นพระครูอยากเป็นเจ้าคุณอยากเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยนี่ือภาวะตัณหาภาวะตัณหาอยากเป็นอยากมีอยากเป็นอยากมียศอยากมีเกียรติความมียศความมีเกียรติมันมีตำแหน่งอยู่ในนั้นเรียกว่าความเป็น เป็นผู้กองเป็นผู้การเป็นนายพลเป็นผู้พันเป็นอะไรสารพัดเนี่ยถ้าเป็นยศเป็นศักดิ์นะเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าอยากมีอยากเป็นความอยากความอยากที่ไม่ใช่อยากในสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุต้าเรียกว่าภาวะตันหารวมไปแล้วก็คือความอยากมีอยากเป็นหรือความอยากเกิดในพบความที่เราไปไปได้อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นภาวะภาวะภาวะตัวนี้แปลว่าพบอยากมีอยากเป็นพบอยากเป็นเทวบุตรอยากเป็นเทวดาอยากเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นอื่เรียกว่าอยากอยากอยากเป็นอยากเกิดอยากมีอยากมีในพบในเมื่อเราอยากมีแล้วเราก็ทําเมื่อเราทําแล้วเราก็จะต้องได้ไปอุบัติในพบอ่าเมื่อพบมาปรากฏในจิตของเราเนี่ยตัณหา มันพาให้เรายึดท่านเรียกว่าอุ ป, ปาทานอุ ป, ปาทานพาให้เรายึดยึดในภพนั้นๆั้นเพราะฉะนั้นภาวะของจิตที่มันเคลื่อนจากนี้ไปจิติเคลื่อนจากนี้ไปสู่ข้างหน้านั้นอ่ะมันจะต้องเคลื่อนไปตามอำนาจของภพที่จิตมันจับจองไว้ด้วยอำนาจของตันหาของอุปาทานมันยึดยังไงมันยึดในใจมันยึดข้างในัแหละเราดูเวลามันยึดเราดูออกไหม มันยึดมันเกาะมันติดกับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมันค้างอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเราดูพยายามดูดูให้ออกนะนั่นอารมณ์ต่างๆเหล่านั้น่ะที่ทําให้เรายึดให้เราเกาะจนเราไม่รู้หนารู้ตารู้อะไรตัวอะไรเนี่ยมันทําให้เรามันมองเมาเราทําให้เราเมาในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นทําให้เรามืดบอดในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นพร้อมที่จะสนองตามความอยากของกิเลสที่มันเสแส้งเสก เป่าให้เราคล้อยเชื่อไปตามมันกรารตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาวิภาวะตันหาก็คือเวลาเราเราไปประสบสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นตามภาวะของมันแต่เราไม่ชอบใจเราไม่ชอบใจเราก็ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันเป็นการปฏิเสธในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นเช่นอะไรเรายกตัวอย่างอย่างอื่นมันเห็นยาก เรายกตัวอยา่างเข้ามาข้างในตัวเรามันเห็นง่ายเช่นอย่างร่างกายเราต้องแก่เราไม่อยากแก่เนี่ยเราไม่อยากแก่แต่มันยังจะต้องแก่เพราะไอ้ความแก่ของมันมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของมัน <S <S ไอ้ความอยากไม่อยากแก่ของเราหนึ่งมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของมันด้วยอํานาจของกิเลสเนี่ทีนี้เราทําไงทําไมเราจะไปด้วยกันได้ พระพุทธเจ้ทาท่านจึงให้เราศึกษาให้รู้สกภาวะของมันว่าร่างกายนี้ต้องแก่นะต้องแก่แน่แนต้องแก่แน่นอนร่างกายต้องแก่มันแก่ตามภาวะของมันแก่ตามสภาวะของมันแก่ตามเหตุตามปัจจัยของมันเนี่ยทาให้ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ยอมรับยอมรับตามที่มันมียอมรับตามที่ ม, มันเป็นมันเป็นถ้าเราไม่ยอมรับเป็นไงเราน้อยใจเราเสียใจ เราวิตกเรากังวลว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องงอมเราจะต้องโซซัดโซเตอย่างเราจะต้องพร้อมกรกะล่องกระแร่งมีแต่ซี่โครงเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้มันเกิดความรู้สึกขัดแยง้งความรู้สึกอันนี้มันเป็นความรู้สึกความมืดความบอดของเกิเลดที่มีอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมท่านจริงให้มองให้เห็นแล้วยอมรับยอมรับตามที่มันมียอมรับตามที่มันเป็น ถึงเราไม่ยอมรับเขาก็มีเขาก็เป็นตามเรื่องของเขาแต่ถ้าหากเราไม่ยอมรับเรากลับเป็นผู้ได้รับทุกเราเป็นผู้ได้รับกองทุกแต่ถ้าหากเรายอมรับเนี่ยกลับเป็นภาวะกลับเป็นสภาวะของธรรมชาติมันเป็นหลักธรรมชาติที่มีที่เป็นตามภาวะของมันเราเอาความอยากของเราไปลบล้างมันไม่ได้มันยังจะต้องแก่เราไปอยากไม่ให้มันแก่ก็ไม่ได้ มันจะต้องแก่ตามเหตุตามปัจจัยของมันเพราะความแก่มันมีเหตุมีปัจจัยของมันอย่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันมีการเจริญขึ้นมีการเสื่อมลงทุกระยะทุกเวลาทุกขณะจิตภายในร่างกายของเราไม่มีส่วนไหนที่จะอยู่คงที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะแต่เราดูส่วนละเอียดไม่ได้เราดูส่วนละเอียดไม่ได้ อแต่ถ้าเรากําหนดพิจารณาดูเราก็จะเห็นส่วนละเอียดความเปลี่ยนแปลงอัตถภาพร่างกายของเราเราจะดูง่ายๆเราดูเราดูเราดูาดง่ายๆว่าอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยมันไม่มีการหยุดอยู่กับที่เรายกตัวอย่างผมบนหัวเราเนี่ยเราโกนปับน๊บไงเมือ่อวานเราโ ก, กนตอนวันนี้ตอนข้าววันนี้สมมุตินะพอกลางคืนกลางคืนเท่านั้นอ่ะมรุกมันโผล่มาตั้งแต่เมื่อไหร่มัรุก หนึ่งมิลสองมิลสามมิลอคือไม่ตอนเช้าขึ้นมาเราอามือไปลูบเนี่ยซากเต็มไปหมดแหละไม่รู้มันโผล่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ยาวสองมิลสา ม, มิลยาวหนึ่งมิลเนี่ยเนี่ยผอมบนหัวเราเนี่ยทั้งทั้ที่เราไม่รู้เรื่องกับมันะเพราะอะไรเพราะมันถูกผลักดันออกมาเรื่อยๆสังขารมันเปลี่ยนแปลงไปเรืเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไม่มีไม่มีแ ม, ม, ม็แต่อนูปรมาณูเดียวที่มันจะอยู่คงที่ในอัตภาพร่างกายของเรามันจะเปลี่ยนไปเรื่อย เปลี่ยนตั้งแต่ตั้งแต่เด็กทารกขึ้นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นกลางคนเป็นเท่าเป็นแกแกงอม90้าสิบปีรอยปีป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายมันไม่มีไม่มีไม่มีหยุดอยู่กับที่ที่วัยมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปตามนั้นกําลังวังชาก็เปลี่ยนไปตามนั้นเนื้อหนังมังสังอะไรต่างๆก็เปลี่ยนไปตามนั้น ตลอดไปจนผมจนขนจนอะไรก็เปลี่ยนไปตามนั่นผมไม่มีพอผมโผล่เข้ามาโผล่มาเรื่อยๆนะเริ่มดกดกมาเรื่อยดํามาเรื่อยยาวมาเรื่อยยาวมาเรื่อยร่วงการผ่านไวัยี่สิบห้าสิบปีห้าสิบปีก็เริ่มงอกแล้วผมงอกผมขาวแล้วห้าสิบปีหกสิบปีหกสิบปีหกสิบปีเสียดเสียะขนาดเกือบเต็มหัวแล้วเหมือนเจ้าของเนี่ยเกือบเต็มหัวแล้วมันเปลี่ยนสีของมัน นี่เราดูเราดูอย่างนี้เราเห็นมันเห็นมันยาวมันนานแต่ความไม่อยู่กับที่ของมันเนี่ยมันจะโผล่มาทุกระยะโผล่มาทุกระยะเมื่ออย่างเราโกนหนวดวันเนี้ยเราโกนหนวดเราโกนโกนเผาวันนี้ตอนขําวันนี้ตอนเช้าขึ้นมาเราล้างหน้าเนี่ยสากเต็มมือแล้วไม่รู้มันโผล่มันแอบโผล่มาตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นคือความไม่คงที่ของมันทําให้เราจับได้ว่าร่างร่างกายสังขารของเราเนี่ยไม่คงที่ไม่มีอะไรคงที่สักอย่างเราดูมาที่ ภายในกระแสะเลือดนะกระแสะเลือดมันก็สูบฉีดสูบฉีดอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะ่ะโรงงานมันไม่เคยปิดเลยหัวใจสูบฉีดสูบฉีดสูบฉีดอยู่อย่างนั้นไม่เคยอยู่กับที่นี่แหละอันิีจังทุกขรังภาวะของมันเป็นอยู่อย่างนี้เราไปบังคับบัญชามันไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาเป็นภาวะที่เราบังคับบัญชามันไม่ได้อนาตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอัตตาอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้อท่านบอกว่าถ้าเป็นตนเราต้องบังคับบัญชาได้ด้วยเหตุที่มันไม่ใช่ตนเราจึงบังคับบัญชาไม่ได้เหมือนอย่างที่ศาสนาพราหมณ์ก็ว่าตนเที่ยงตนเที่ยงอาตมันเที่ยงตนเที่ยงอาตมันเที่ยงแต่พุทิเจ้าท่านทรงตรัสว่าอนัตตาอนตัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทาไมถึงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะเราบังคับบัญชาไม่ได้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมันเปลี่ยนแปลงจากภาวะหนึ่งไปเป็นอีกภาวะหนึ่งการที่มันทนอยู่คงที่ไม่ได้ของมันนั่นแหละเป็นเป็นทุกข์มันเปลี่ยนไปเป็นอ่าเป็นเป็นทุกขังมันเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนิจจังเราบังคับบัญชามันไม่ได้ นี้โดยรูปธปรรมเราดูให้เห็นเราดูให้เข้าใจดูให้เห็นด้วยสติด้วยปัญญาด้วยญาณให้จนเกิดญาณทัศนะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจจิตใจเรายอมรับเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นตเราได้อัดได้ทํามีสิ่งที่เป็นรูปธปรรมมันไม่มีภาวะใดที่จะอยู่คงที่มันประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี้มันมีกรรมมาเกาะกุมเอาไว้ ให้มันกลายเป็นก้อนให้กลายเป็นแท่งมีขาสองขามีมือสองมือมีลำตัวมีหัวมีตาหูจมูกลิ้นมีผิวมีกายแล้วก็มีใจมาคลองมาครอบครองอยู่อาศัยว่ามเากาะกลุ่มกรรมอาศัยอานาจกรรมมาเกาะมา ก, กุมธาตุภายในอัปภาพร่างกายเรมันเสื่อมไปมันสิ้นไปเราต้องใส่หาใส่ให้มัน เราบริโภคข้าวนา้ำโภชนาหารเนี่ยของอยู่ของกินของขบของฉันเน่ยเราใส่เข้าไปเพราะข้างในมันเสื่อมไปมันสิ้นไปมันหมดไปมันสูบไปสูบไปฉีด ไ, ไปหล่อไปเลี้ยงไปอะไรแต่ไหนไม่มีอะไรอยู่ค้างอยู่กับที่เลยอ่ไม่มีอะไรอยู่กับที่ไปจลืนเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกพวกเนื้อพวกหนังพวกกระดูกพวกอะไรเขาก็ไม่อยู่กับที่เขาก็เปลี่ยนภาวะไปเรืยจากเล็กๆไปกลางไปใหญ่ไปโต เราค่อยเสื่อมส่วนนั้นเสื่อมส่วนนี้เสื่อมอะไรสารพัดในอันธภาพร่างกายเราดูให้เห็นภาวะแบบนี้ก็ทําให้เราเข้าใจร่างกายของเราไม่ให้เรายึดไม่ให้เราถือให้เราศึกษาให้รู้ให้รู้เท่าทันตามที่มันมีตามที่มันเปลี่ยนเพราะมันความทุกข์มันถึงไม่มาเกาะกินหัวใจของเราพระพุทธเจ้าจะให้ยอมรับให้ศึกษาให้รู้จักหลักของธรรมชาติแล้วก็ยอมรับ ยอมรับสภาวะต่างๆเหล่านี้โดยไม่เอาใจิตใจของเราเนี่ยไปกะไปเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังเป็นไปตามใจชอบเพราะเกณฑ์เท่าไหร่มันก็ไม่สมหวังมันก็ไม่เป็นไปตามใจใจชอบใจหวังถ้าเราจะคิดแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอริยเจ้าเนี่ยเรากะเกณฑ์ร่างกายของเราให้เป็นไปตามใจหวังเกณฑ์ไปอย่างนั้นเกณฑ์ไปนี้โอ้มันเป็นมันเป็น การงมมั น, นเป็นวิธีที่มันเป็นวิธีที่เข่าที่สุดอพระริยาเจ้าท่านมองพวกเราเนี่ยมองว่าโอ้เป็นวิธีที่เข่าที่สุดไปฝ่าไปฝืฝนฝืนในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไปกะไปเกณฑ์ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้กะเกณฑ์ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในที่สุดความทุกข์ก็มาทับถมหัวใจของเรามันไม่เป็นไปตามใจหวงังความทุกข์ก็มาทับถมหัวใจของเรามันไม่เป็นไปตามใจชอบ ความทุกข์มาทับถมหัวใจของเราเพราะฉะนั้นคำว่าไม่พอใจคำว่าเสียใจคาว่าผิดหวังอะไรมันถึงมีมันถึงจึงมีทำไมจึงมีทำไมถึงมีถึงมีเพราะว่าเรายึดอยากให้เป็นไปตามใจเราหวังอยากให้เป็นไปตามใจเราชอบด้วยเหตุที่เราปรารถนาไม่สมหวังความทุกข์ก็มาทับถมใจของเรา เรายังฉลาดส่วนนี้ไม่ได้ไล่ไม่ทันเรายังไม่ฉลาดฉลาดส่วนนี้อที่อธิบายมาเนี่ยทําให้เรานั่งกอบโอยเอาแต่กองทุกมาทับถมหายใจของเราทั้งวันทั้งคืนไปคาดนั้นไปค่านี้ไปคิดนั้นไปคิดนี้ที้แล้วก็กอยกองทุกมาทับถมหายใจของตัวเองถ้าเราเข้าใจตรงนี้เรารู้จักปลดเรารู้จักเปลืองเรารู้จักปล่อยเรารู้จักวางะ เราค่อยๆจะเริ่มเห็นสภาวะธรรมที่มีที่เป็นตามสภาวะของธรรมชาติโอากาสที่เราจะถือแล้วก็เห็นตามตัณหาจนเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานมันก็ค่อยๆลดน้อยลงไปค่อยๆลดน้อยลงไปความฉลาดภายในใจก็เริ่มฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นสัจธรรมที่อยู่รอบๆตัวเราเราก็จะเริ่มฉลาดขึ้นจะเริ่มเข้าใจขึ้นจะเริ่มรู้เท่าทันขึ้น ทั้งสัตย์จะทำที่อยู่ภายในตัวเราทั้งสัตย์จะทำที่อยู่นอกตัวเราเราก็จะรู้เราจะเข้าใจเราก็จะฉลาดขึ้นรวมไปถึงสัตย์จะทำที่เกิดขึ้นที่มีขึ้นภายในจิตใจอันนี้อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เข้าไปอีกแหละอ่ามันละเอียดเข้าไปข้างในลึกเข้าไปอีกนี่อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของกรรมเกี่ยวกับเรื่องของกรรมสัตย์จะทที่ปรากฏมีอยู่ภายในใจ สิ่งที่กระดุกกระดิกพลิกแพลงอยู่ภายในใจของเราก็คือาธาตรู้ผู้รู้เราเรียกง่ายๆคือใจหรือจิตหรือวิญญาณคือาธาตรู้หรือผู้รู้อาการของมันมีสามอย่างสี่อย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาขานันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันนี่คือภาวะข้างในที่เกิดที่มีขึ้น ด้วยเหตุที่มีนามธรรมและก็โดยเหตุที่นามธรรมมาเกี่ยวข้องกับรูปธรรมเป็นเหตุให้มีเวทนาเป็นเหตุให้มีสัญญาสังขารเป็นเหตุให้มีวิญญาณเพื่ออะไรเพื่อทํางานให้มีผลรายได้เศรษฐสุขเข้าไปที่ใจหาผลรายได้เศรษสุขเข้าไปที่ใจแต่ในเมื่อ มีผลรายได้เสพสุขเข้าไปที่ใจได้ผลรายได้เสพทุกขเข้าไปที่ใจก็ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าไม่ฉลาดสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมืออย่างดีแทนที่จะทําให้เราได้เสพความสุขเข้าไปที่ใจอย่างเดียวแต่กลับเราหลงกับภาวะที่เรามีกับภาวะที่เราเป็น ทำให้เราเจ็บทุกข์เข้าไปที่ใจของเราทับถมเข้าไปที่ใจของเราเช่นเดียวกันเนี่ยนวัดรูปธรรมนามธรรมที่เป็นที่เป็นไปในภายในพวกเราทราบกันไม่ได้หรอกว่าใจของเราแต่ละดวงแต่ละดวงแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหนเกิดขึ้นมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยอย่างไรเราทราบไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ทรงท่านก็ไม่ทรงพยากรณ์เวลาชี้ ชีช้ชัดไปจริงๆท่านชี้ไปที่อวิชาจจา ช, ชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารท่านชี้ไปที่อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารอวิชชาวิชาถ้าเราจะแปลตามตัวหนังสือแปลว่าความไม่รู้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้วิชาแปลว่าความรู้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้ความไม่รู้ทั้งนี้ มันถูกความลุ่มหลงหมักเคลือบมาแฝงเราไม่รู้ว่าเราเกิดเมื่อไหรเราตั้งอยู่เมื่อไหรแล้วเราจะไปที่ทไหนอะไรยังไงเรารู้ไม่ได้เราทราบไันได้พรุทธเจ้าท่านเลยทรงตั้งสมมุติฐานว่าอาวิชชาอาวิชชาเป็นปจัจจัยเกิดสังขารสังขารต่างๆเหล่านั้นมาเกาะกลุ่มกันอยู่ได้เนื่องจากว่าเราไม่รู้เราไม่ทันนี่เราสามารถคิดคิดได้ทั้งสิ่งที่เป็นอดีตการ คิดได้ทั้งในส่วนที่เป็นปัจจุบันการปัจจุบันการในขณะจิตใดก็ดดตามที่เราขาดสติขาดสัมผชสัญญาขาดความรู้ขาดความรู้อวิชชาก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นทันทีในใจของเราพร้อมที่จะนึกพร้อมที่จะคิดพร้อมที่จะปรุงที่จะเรียกว่าเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารสังขารที่เป็นปุญญาทิสังขารคิดเรื่องบุญ อพุญยาพิสังขารคิดเรื่องบาปบางครั้งเรามาเจริญภาวนาจิตใจได้รับความสงบจิตใจได้รับความสงบไม่ได้ปรุงเรื่องบุญไม่ได้ปรุงเรื่องบาปแต่จิตสงบด้วยอานาจของฌานที่ท่านเรียกว่าอนเนนชาอนเนญชาอนเนนชาพิสังขารจิตใจสงบแ น, แน่วแน่มั่นคงอยู่กับฐานคือจิตไม่กระดุกดิกพลิกแรปรไปนู้ไปนี้ คือจิตผู้ทรงฌานจิตที่อยู่ในฌานถ้าเรียกว่าอเนนชาพิสังขารก็เป็นสังขารเหมือนกันเพราะฌานนั้นน่ะฌานนั้นน่ะบรรดาฌานต่างๆคือองค์ฌานต่างๆทั้งรูปฌานทั้งอรูปฌานครูบาอาจารย์ท่านว่าเป็นสมมุติทําไมจึงว่าเป็นสมมุติก็เพราะว่าเป็นผลิตผลที่จิตเราฝึกฝนอบรมได้แล้วก็เมื่อเราฝึกฝนอบรมได้ ทั้งรูปปชาทั้งอรูปปะชานั่นน่ะเป็นวิหารธรรมของใจมันเป็นคุณสมบัติของใจที่ใจจะเข้าไปอยู่เข้าฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แต่ไม่ใช่จิตมันเป็นที่อยู่ของจิตที่เรียกว่าวิหารธรรมของจิตนี่นี่ก็เป็นสังขารเหมือนกันอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาเนี่ยเรานึกได้ทั้งปัจจุบันนึกนึกได้ทั้งอดีต อดีตอดีตการนึกได้ทั้งอดีตการทั้งปัจจุบันการาสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณก็คือสังขารก็คือสิ่งสองสิ่งกระทบกันเข้าสิ่งตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปรวมกันท้าเรียกว่าสังขาราสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเช่นอย่างจักรคูวิญญาณเนี่ยจักรคูวิญญาณคือความรู้แจ้งทางตาอาศัาายตากระทบรูป อาศัยตาคำว่าตาหมายถึงประสาตตานะประสาตตาที่เป็นรูปธรรมในตัวของเราเนี่ยไปกระทบรูปข้างนอกอาศัยประสาตตากระทบรูปข้างนอกอแต่ถ้าไม่มีวิญญาณถ้าไม่มีมโนธรรมถ้าไม่มีมโนมโนธาตุเนี่ยก็เหมือนอย่างตาเนี่ยลืมตาลืมตาเหมือนอย่างคนตายลืมตาเขาเขาไม่เห็นอะไรเขาไม่เห็นอะไรเพราะว่าเขาปราศจากวิญญาณแล้ววิญญาณไปปราดแล้ว คนตายเนี่ยถึงเขาจะลืมตาเขาก็ไม่เห็นอะไรแต่คนเป็นเนี่ยลืมตาในตานั้นมีประสาทตาลืมตาหันไปทางไหนก็ไปเห็นรูปสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าของตาเนี่ยก็เป็นรูปเกิดความรู้ขึ้นว่ารูปดํารูปแดงรูปเขียวรูปขาวรูปคนรูปสัตว์รูปอะไรก็ตามแต่เป็นจักขุวิญญาณเนี่ยเป็นวิญญาณวิญญาณนี้ท่านหมายถึงทั้งทั้งวิญญาณนัธาตุท่านหมายถึงทั้งวิญญาณนักขันเทราะอะไร เพรมันอาศัยสิ่งสิ่งเดียวเกิดสิ่งสิ่งนั้นคือความรู้คือผู้รู้คือธาตุรู้อาศัยสิ่งเดียวเกิดคือผู้รู้คือธาตุรู้เป็นได้ทั้งทั้งเป็นได้ทั้งวิญญาณธาตุเป็นได้ทั้งวิญญาณขันคําว่าวิญญาณธาตุก็คือธาตุรู้ธาตุรู้ธาตุรู้ก็คือจิตคือผู้รู้คือผู้รู้ รูปมโนใจคือธาตุรู้กัวิญญาณขันก็คือความรู้อันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากตากระทบรูปเกิดความเห็นขึ้นมาท่าเรียกว่าจากวิญญาณเกิดยบและกรดับแยบแล้วกระดับยบแล้วก็ดั บ, บ, ดบอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นนามนามขันเป็นวิญญาณขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเนี่ ทั้งสาสี่ทั้ง4อย่างนี้เป็นอาการของจิตเป็นอาการของผู้รู้ผู้รู้จำเป็นจะต้องมีจำเป็นจะต้องมีเพื่อที่จะมามาทำงานประสัดประสานกับรูปธรรมนะเช่นอย่างตทางตาเอาไปเห็นรูปทางหูออกไปได้ยินเสียงเราพูดทั้งหมดนี้เราพูดมาที่กายของเรานะ เพาก้อนนี้เป็นก้อนธรรมถ้าเราจะศึกษาธรรมเราจะต้องศึกษามาที่นี่เราจะต้องย้อนมาที่นี่เราจะต้องหันมาที่นี่เราหันไปที่อื่นคิดไปเรื่องอื่นฟุ้งไปแล้วเราก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นตัวเราต้องต้องทั้งตัวเนี่ยเป็นก้อนธรรมะเป็นก้อนธรรมะท่านจึงให้ศึกษาทําไมเราจึงต้องศึกษาตงจึงต้องพิจารณาถ้าเราไม่ศึกษาถ้าเราไม่พิจารณาเราก็หลงหลงตัวเราเนี่ยแหละ อเห็นขาวเห็นผ่องเห็นอ้วนเห็นผีเห็นนิ่มเห็นนวลเห็นอะไรแตร่อะไรสารพัดเน่ยมันติดมันติดความแล้วก็หลงทุกข์กันมาเจะของหนึ่งงามติดตรง น, นู้นติดตรง น, นี้บางทีอ่ดังดำอุ้ยไม่ชอบใจไม่พอใจเสียใจบางทีไม่อ้วนไม่ผีไม่รอไม่งามไม่พอใจเสียใจอะไรแต่อะไ ร, ราสารพัด พอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามอันนั้นคือพิษสงของความหลงหลงตัวเราเองหลงตัวเราเองเราไม่ศึกษาเนี่ยเราหลงหลงแน่ๆหละทั้งๆที่ศึกษาอยู่เราก็ยังหลงอยู่พิจารณาดูเราย้อนดูถ้าเขาไม่หลงะเขาไปจิ้มทําไมจิ้มหูจิ้มตาจิ้มทําไมอ่ะบางคน่ะจิ้มจนด่างดําเต็มไปหมดอ่ะบางคนแผลสารเคมีนะา น่าสงสารนั่นล่ะภาวะของอะไรนะ่ภาวะของความหลงมันเป็นปกติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของสัตว์โลกไม่ว่าท่านไม่ว่าเรานั่นคือภาวะของความรุ่มหลงภาวะของความรุ่มหลงนี่ทาทำไมเราจะรู้เราจะเข้าใจได้เราต้องพิจรารณาเราต้องศึกษาไม่ศึกษาเนี่ยยืนเดินนั่งนอนสำคัญม่เจขางอยู่สุขสบายขนาดไหนก็ตามแบกกองทุก ด้วยอำนาจของความลุ่มหลงร่างกายของเราทั้งก้อนเนี่ยเป็นก้อนทุกข์เราอาศัยความลุ่มหลงแล้วแบกแบกบกองทุกข์แบบแบบความทุกข์เนี่ยมันมีมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนประสานกันอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้างในถ้าเราน้อมนึกมาพิจารณาเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยข้างในนี้ก็ย่อมจะพอทําให้เราเข้าใจยอยู่ได้บ้างนะสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณ วิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเกิดนามแล้วเกิดรูปนะวิญญาณแล้วก็วิญญาณก็เกิดจากนามและรูปสัมผัสสัมพันธ์กั น, กนแล้วก็วิญญาณตัวนั้นแหละไปแสวงหาที่เกิดวิญญาณเช่นอะย่างวิญญาณธาตุเนี่ยไปแสวงหาที่เกิดเกิดในรูปปาปจรต้องมีรูปนะถ้าไปเกิดในอรมู ป, ปาปจรก็ไม่มีรูปมีแต่นามมีแต่นามนี่มีอะไรมีแต่นาม ก็มีแต่เวทนาสัญญาสังขารอย่างมีแต่ความรู้สึกไม่มีรูปไม่มีตัวไม่มีตนเช่นอย่างพวกอรูปภพรมมันมีอยู่นะอรูปภพรมไม่มีรูปมีแต่นามแล้วก็มีพร้อมอีกประเภทหนึ่งมีแต่รูปไม่มีนามแม่พร้อมอีกประเภทหนึ่งมีแต่นามไม่มีรูปเด้วยอํานาจของของคุณธรรมของจิตที่จิตศึกษาได้ปฏิบัติได้ จะอย่างพร้มพวกหนึ่งเนี่เกิดในรูปประพรงศไม่มีรูปมีนามมีติเวทนาสัญญาสังขารปีญญาแต่รูปไม่มีแล้วก็พร้มพวกหนึ่งพร้มพวกนี้เป็นพร้มที่หลงฌานระดับฌานสี่เหมือนกันนะนะมีติรูปไม่มีนามอาศัยกรรมหล่อเลี้ยงเอาไว้รูปอันนั้นนะอาศัยกรรมหล่อเลี้ยงเอาไว้อยู่จนครบอายุไข ก็ก็กว่ า, า, า, า, าจะเปลี่ยนไปไม่มีรูปไม่มีความรู้สึกอะไรเหมือนลูกฟักแฟนแต ง, แ ง, แงกวาอยู่อย่างนั้นแหละนี่คือเป็นไป็นอนํานาจของกรรมที่เราทําได้มีภาวะของรูปธรรมภาวะของนามธรรมเป็นปัจจัยเกิดรูปนามรูปนามรูปนามรูปจะต้องการทํางานสัมผัสสัมพันธ์กันจะต้องมีอายตนะอายตนะหก ต, นะ ต, นะ ต, ตา 6, หูจมูมกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผพึะธรมรมารมณ์เรียกว่าอายตนะภายนอกอายตนะภายใน อยายตนะเมื่อมีอยายตนะแล้วมันก็สัมผัสสัมพันธ์กันเขาเรียกว่าผัสสะผัสสะการสัมผัสสัมพันธ์การเป็นเหตุให้เกิดเวทนาถ้าเราไม่ไล่มาตรงนี้เนี่เราจะทราบเหตุปัจจัยภายในไม่ได้เราจะต้องย้อนเราจะต้องพิจารณาเราจะต้องย้อนเราจะต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นเรามีจิตใจสงบได้รับความสงบจากการที่เรามีสมาธิแล้วเราจะต้องย้อนมาพิจารณามาไข่ครวนเพื่ออะไร เราพิจารณาเราไข้ควรเพื่อทําลายความลุ่มหลงของตัวเราเองเดี๋ยวนี้เราอยู่ท่ามกลางความลุ่มหลงเราจะไปนึกไปคิดไปพิจารณาโดยไม่มีกําลังความสงบนั้ น, นทําไม่ได้ทําไม่ได้จะต้องมีความสงบเพราะความสงบนั้นเป็นเป็นกำลังเป็นขุมพลังเป็นขุมพลังเป็นกําลังเป็นเรียวแรงถ้าเราไม่มีความสงบเราก็ไม่มีเรียวแรง เวลาเราไปทำงานนิดๆหน่อยๆมันไม่มีกําลังคนไม่มีกําลังก็ทํางานก็ไม่ได้เ ม, มื่อเรามีความสงบแล้วเราก็ย้อนมานึกมาคิดมาพิจารณาสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจก็ชัดเจนแจ่มแจ้งเมื่อชัดเจนแจ่มแจ้งความรู้ความเข้าใจความเห็นในภายในของเราก็เบิกกว้างเข้าไปเบิกกว้างเข้าไปเบิกกว้างเข้าไปไอ้สิ่งที่เคยมาทับถมหัวใจของเราเพลอยเราทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์กับเรื่องเราเข้าใจ เมื่อเราเข้าใจมันก็หดเข้าไปหายเข้าไปเองเมื่อเราเข้าใจมันก็หดเข้าไปเองหายเข้าไปเองเป็นปัจฉาเกิดเวทนาเวทนาเป็นปจัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปจัจัยเกิดอุปาทานอันนี้มันเป็นทั้งเป็นส่วนทั้งส่วนอดีตอดีตเหตุทั้งส่วนทั้งปัจจุบันเหตุมันมีทั้งส่วนอดีตเหตุไม่มีมทั้งส่วนในปัจจุบันเหตุหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะ แต่ถ้ า, าเราพิจารณาเราเข้าใจแล้วเราเอามาพิจารณาในปัจจุบันก็ได้เราจะย้อนไปถึงอดีตก็ได้ถ้าหากเราเข้าใจแล้วมันเป็นสายงานที่เราต้องทาต้องพิจารณาเอาให้ละเอียดเอาให้แหลกของไขของเราเพื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเพื่อทำลายความลุ่มหลงของตัวเราเองเดี๋ยวนี้สิ่งที่เราเจ็บเราแสบเราปวดที่สุดก็คือกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจของเรา คอยกอบโกยกองทุกมาทับถมโจมตีหัวใจของเราทุกระยะทุกวันทุกเวลาในเมื่อเรามีอัตภาพร่างกายความตายก็ดักหน้ารออยู่ด้วยกันทุกคนตัญหาเป็นปัจจัยเกิดอุ ป, ปาทานอุ ป, ปาทานเป็นปัจจัยเกิดภพภพเป็นปัจจัยเกิดชาติคือความเกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายต้องวิโยคต้องพราดพลาดโสกะปริเทวะทุกขะโทมนะสะอุปายาตถึงที่สุดร้องให้คร่ำครวญ เหี่ยวแห้งหจิตใจนุ่นถึงที่สุดแท้สาเหตุต้นตอนมาจากไหนสาวไปสาวไปเพราะฉะนั้นเราเราสาวย้อนหลังก็ได้นะสาวย้อนหลังก็ได้อะไรเป็นเหตุให้เราร้องให้คร่ำครวญก็เพราะเราเกิดได้ตภาพร่างกายทําไมเราถึงเกิดเพราะเรามีเพราะทำไมเราถึงต้องมีเพราะเพราะเรายึดเราถือที่เรียกว่า อ, อปุปาทานทําไมเราต้องมี อ, อปุปาทานเพราะเรายังมีตัณหาอยู่ ทำามเราจึงมีตัณหาอยู่ตัณหานี่มันก็มายจากการสัมผัสสัมพันธ์ที่เราเป็นเหตุเกิดเวทนาเป็นเหตุเกิดอายตนะเป็นย้อนไปจนถึงนามถึงรูปย้อนไปจนถึงสังขารพอไปถึงสังขารแล้วก็ละเอียดละสังขารคือสิ่งสองสิ่งประกอบกันกลายเป็นสังขารสิ่งสองสิ่งประกอบกันคือสังขารเราดูง่ายๆเราดูปฏิทินท้องแม่ท้องแม่เราไปปฏิสัมนธ์ที่ในท้องแม่ อาศัยาธาตุของพ่อกับาธาตุของแม่ไปบวกกันเข้าน่ะสังขารสองอย่างมาบวกกันเข้าทําให้เราไปถือปฏิสตินทรีอยู่ในนั้นเริ่มโตขึ้นมาเป็นก้อนเลือดเป็นเม็ดเลือดเป็นก้อนแข็งเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจาสาขาใหญ่โตขึ้นมาเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนแล้วคลอดออกมานั่นสังขารไปประกอบกันเป็นอย่งัง้นสังขารทั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปเนี่ยเขาจะต้องทํางานไปแบบไม่หยุดไม่ย่อนสภาพของสังขาร ในแง่ของชีววิทยาชีววิทยาคือสิ่งที่เกิดทําให้สัตว์มีถือกําเนิดสัตว์ไปเกิดเนี่ยแร่ธาตุอย่างใดอย่างหนึง่งไปผสมกับแร่ธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีก็เป็นเหตุให้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นได้เป็นเหตุให้เกิดพืชขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้เกิดสัตว์ก็ได้เนี่ยใครไปเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยชีววิทยาจะรู้จะเข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้น กำเนิดของชีวิตทั้งชีวิตที่เป็นชีวิตของพืชทั้งชีวิตของสัตว์นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสัตว์แปลกๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเนื่องจากว่าแรงธาตุต่างๆเหล่านั้นมันไปผสมกันจากแรงธาตุหนึ่งไปผสมกับแรงธาตุหนึ่งเกิดเป็นสัตว์ตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมายกตัวอย่างยกตัวอย่างเชื้อโรคอย่างที่เชื้อโรคมันแพร่กระจายมาอยู่เรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนตัวมันไปเรื่อยๆเปลี่ยนตัวมันไปเรื่อยๆนี่คือสังขาร มันไปเกาะกลุ่มกันแล้วเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆอันนี้ที่เป็นรูปธรรมที่เป็นนามธรรมทั้งรูปธปรรม ท, ทั้งนามธรปปรม ท, ท, ท, ที่มาเกาะเกี่ยวในร่างกายของเราในจิตใจของเราเช่นเดียวกันมันไม่ต่างอะไรกันเลยก็ำหนดชีวิตของคนเราก็ำหนดชีวิตของคนเราก็อาศัยธาตุเห็นไหมธาตุพ่อธาตุแม่ผสมกันเข้าพอผสมกันเข้ากา็กลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นธารกขึ้นมาในท้อง แล้วก็มีจิตมาจับมาจองที่จะเรียกว่าถือปฏิสนธิใครจะได้รูปอัตภาพยังไงก็เป็นไปตามนะาของกรรมถ้ากรรมต่าช้าเลวรามก็ได้อัตภาพ ร, ร่างกายเป็นสัตว์เนี่ยไปเกิดในทออ้ อ, นทองหม้าเกิดในท้องวัวท้องควายท้องช้างท้องหมูท้องเป็ดท้องไก่น่ ะ, นะเกิดะน่ะแต่ถ้าใครมีกรรมที่ละเอียดขึ้นไปอีกอยัง ปานกลางนี่มาเกิดในเท้าของมนุษย์มนุษย์ก็มีหลายระดับอีกมนุษย์เลวทามนุษย์บ้าบ้าบอบอบวบวบเนี่ยมนุษย์ปานกลางมนุษย์ฉลาดมนุษย์ฉลาดเลิศมนุษย์อัจฉริยะมนุษย์เนี่ยดีละเอียดขึ้นไปกว่านี้ไปเป็นเทวดาชนนุชชนุชชนุชชนุนได้อัตภาพที่ละเอียดที่ประณีตที่เป็นทิพที่อะไรตัลายนีเกี่ยวเกี่ยวข้องกับอำนาจของกรรมท่านั้นกรรมทั้งนี้ใคร ใครให้ไม่มีใครให้เราสร้างเราทําเอาเองเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สร้างให้ทําแต่กรรมที่ดีๆกรรยายกรรมก็เป็นกายกรรมอกายกรรมในทงางสุดจริตวิจีกรรมก็ให้เป็นกรรมในทางสุดจริตมนโนกรรมก็ให้เป็นมนโนกรรมในทางสุดจริตเมื่อมีติดสุดจริตกับสุดจริตแล้วเนี่ยเราก็จะขยับขยับตัวเองไปเรื่อยขยับไปสู่ความสุขความเจริญความบริสุทธิ์หมดจดนะ ละเอียดเข้าไปเรื่อยละเอียดข้าไปด้วยเราดูสัตว์ทั้งหลายนี่หัวใจหัวใจของเขาไม่มีพัฒนาแต่มาดูหัวใจหัวใจของคนความเป็นคนนี่มันพัฒนาพัฒนาไปได้เร็วสมัยยังชาติเปลี่ยนชาติชาติก่อ น, น, นเราเป็นสัตว์เนี่ยชาตินี้เรามาเป็นคนการที่เราได้อัตภาพเป็นคนมันสามารถพัฒนาหัวใจของเราพัฒนาไปได้เร็วมากถ้าเราไปเทียบกับชาติก่อนเราเป็นสัตว์เนี่ยพัฒนาอะไรไม่ได้เลย เพรัท่านีวเรียกว่าอบายอบายบายภูมิเป็นภูมิที่หาความเจริญไม่ได้อย่างพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะพวกเราก็เป็นมีบุญมีมนุษยธรรมพอสมควรถ้าไม่มีมนุษยธรรมนี่จะต้องไปเกิดในอบายนั่นแหละไม่เป็นเปรตก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละสัตว์เดรัจฉานก็มีเราเห็นอยู่ทั่วๆไปเนี่ยหมูหมาเป็ดไก่ที่เราเห็นนี่แหละสัตว์เดรัจฉานหัวใจสมอ ง, ของเขานั้นไม่มีการพัฒนา เนื่องจากว่าภาวะของเขาถูกกํามันจํากัดอยู่แค่นั้นแต่สำหรับมนุษย์เราเนี่ยเป็นเป็นภพชาติที่อยู่กลางกลางสามารถพัฒนาได้เพราะฉะนั้นเราดีใจดีใจได้เลยเราอุบัติเป็นมนุษย์แล้วก็ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาอัดถ ร, รมศึกษาปฏิบัติให้เต็มที่เพื่อความดยียิ่งขึ้นไปอืมสาเหตุความเป็นไปความเป็นมากองทุกข์กับกิเลส ท, ที่มีอยู่ในหัวใจของเรา กิเลสมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับจิตคือผู้รู้นั่นแหละเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไรจิตเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหรตอนไหนเราก็ไม่ทราบแต่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับกิเลสความเศร้าหมองของจิตนั่นแหละกิเลสเรียว่าความเศร้าหมองอ่าพิษสองของมันก็คือราคะโทสะโมหะอันนี้พิษสองของกิเลสนะพระรยาเจ้าท่านจำระราคะหมดไปโทสะหมดไปโมหะหมดไปเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์เหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ เราตั้งอุดมคติอันนี้เอาไว้เราจะพยายามชำระจิตวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์จากอะไรบริสุทธิ์จากกิเลสพิษสง์ราคะไม่ปรากฏโทสะไม่ปรากฏโมหะไม่ปรากฏนั่นแหละเราชำระหมดจดโดยชื่นเชิงถ้าไม่มีคำคำใดเปรียบเทียบท่านใช้คําว่าประมังสุขขังประมังสุขขังพอไปถึงตรงนั้นนั่นแหะเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นประมังสุขขัง พเราได้ยินได้ฟังเอาไปพิพจารณาหลักใหญ่ใจความที่เรามาตรงนี้ก็คือเราต้องภาวนาเพราะเส้นสายของงานนี้เป็นเส้นสายของงานที่จะต้องภาวนาถ้าเราไม่ภาวนาไม่ทางานงานของเราก็คือภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาเราถึงจะมารู้มาเข้าใจงานต่างๆเหล่านี้ได้ถ้าไม่ภาวนารู้ไม่ได้ดอกอ ยิ่งไม่สนใจภาวนาเลยเนี่ยเราก็ทําหากินเหมือนคนทั่วไปเนี่ยดีไม่ดีไม่รู้ศีลไม่รู้ธรรมไม่รู้บาปบุญคุณทอดไม่รู้แหละมีชีวิตอยู่ไม่ต่างอะไรกับสัตว์สัตว์เขาไม่รู้รู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วว่าแต่เขาอยากเนี่ยเขาเอาได้เลยถ้ากําลังเขามากกว่าเขาก็ข่มมาเลยนี่เหมือนอย่างหมาในวัดขางลราเนี่ยเหมือนกันเนี่ยไอ้ตัวน้อยมันเป็นลูกของตัวใหญ่นี่เห็นไหมพอมันเริ่มมีกําลังโตขึ้นมาสักหน่อยหนึ่ง มันเวลามันอยากอะไรมันก็ขมมันจะเอาแต่ตัวเดียวคนเดียวเนี่ยให้กินข้าวมันก็จะขวางเขาหมดอ่ะนะนี่คือความอยากของสัตว์มันไม่รู้ผิดรู้ถูกรู้ผิดรู้ชอบนะพ่อมันมันก็กัดแม่มันมันก็กัดมันรู้ภาษีภาษาที่ไหนนั่นคือภาวะของสัตว์แต่มนุษย์เราเนี่อรู้รู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีรู้สุกรู้ทุกเรารู้แล้วเราถือเอาเราปฏิบัติเอา แต่ในสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญจบเพียงแค่นี้เนาะไปใครมีเวลาก็ไปภาวนาให้มากๆนะอย่างกลางคืนอย่างนี้อากาศดีอากาศดีคืนอากาศ ด, าาศดีเป็นเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กเราเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเราอย่าลืมอย่าลืม อย่าลืมเนื้ออย่าลืมตัวพวกเราทํางนานทําการทําอะไรก็ตามเราอย่าลืมอย่าลืมเนื้ออย่าลืมตัวลืมเนื้อลืมตัวแล้วมันจะห่างห่างงานที่เป็นงานหลักเราไปเรื่อยไปเรื ие, ่อยไปเรื่อยไปเรื่อยถ้าเราทําไปด้วยเราเจริญสติเข้าไปด้วยเราก็เป็นการเจริญทำเข้าไปด้วยแต่ถ้าเราหลงลืมตัวเมื่อไร่แล้วก็อเราได้อย่างหนึ่งแต่ก็เสียอย่างหนึ่ง ก็ต้องให้เราหวังเหมือนกันต้องให้เราหวังเหมือนกันการฝึกยอย่างใดอย่างหนึ่งเราตั้งเอาปณิธานในใจของเราเราทําสิ่งนี้เราปรารถนาที่จะฝึกกิตของเาให้ดีมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่าน้อนามาเพื่อการรู้เพื่อการเห็นเพื่อการเข้าใจเพื่อการรู้เรื่องเกี่ยวกับหลักของสัจธรรมเรื่องผลเรื่องใ น, นสงที่เราทําที่เราประกอบขึ้นนั้นมีมีมนแน่ๆ เป็นผลเป็นอานิสงส์จากการที่เราทําเพราะการกระทาทุกอย่างสิ่งที่ตกผลึกเข้าไปก็คือวิบาทกที่จะเรียก ว, ว่าวิบากกรรมวิบากกรรมใครทําอย่างใดอย่างหนึง่งกรรมใดก็ตามวิบากกรรมก็ตกเป็นของคนนั้นทํากรรมทําการงานอย่างใดอย่างหนึง่งก็ตกเป็นวิบากกรรมของการของงานทํา ด, ทดีทําดีต้ออกต้องใจงทําผลอา น, นิสงส์ก็มีตามนั้น ทำดีทำไม่ดีหรือไม่ทำผ ล, ลอันิสงส์ก็ตกไปตามนั้นแหละเพราะกรรมกับวิบากกรรมมันไปด้วยกรรมกรรมทำกรรมอย่างใดอย่างหนึง่งย่อมมีวิบากกรรมวิบากกรรมย่อมให้ผลย่อมส่งผลเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเราทำเสร็จแล้วนะ่ะตั้งใจตามคุณงามความดีความคุณงามความดีมีผลมีอันิสงส์ตามอุดหนุนเกื้อกูลเราแน่นอนไม่ต้องสงสัยอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่เราเห็นกันง่ายๆแต่เหตุปัจจัยในภายในเกี่ยวกับเรื่องกรรมเรื่องอะไรละเอียดลึกเข้าไปเรามองไม่ค่อยเห็นแต่เราก็ไม่ต้องห่วงเราสร้างคุณความดีเอาไว้แล้วไม่ไปไหนอะสะสมบัณที่ใจคอยเกื่อหนุนคอยอุดหนุนค้ำจุนเราอยู่ทุกระยะทุกเวลาจริงเรื่อนี้แหละเป็นสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่ติดติดแนบอยู่กับเนื้อกับตัวของเรา เรื่องของกรรมเนี่เราตายแล้วเราไปด้วยกันไปด้วยกรรมไม่เหมือนกับวัตถุข้างนอกวัตถุข้างนอกเราทําเข้าไปแล้วทรัพย์สมบัติเราหาไว้แล้วเนี่ยเวลาเราไปทรัพย์สมบัติก็อยู่นี้ไม่ได้ไปกับเราแต่ถ้าเราเอาไปแลกให้เป็นอริยทรัพย์เอาทรัพย์ไปแลกเป็นอริยทรัพย์คือไปเสียสละไปทําบุญทรัพย์ต่งตางๆเหล่านั้นก็ตามเราไปได้ไปอดหนุนค้าจุนควรจะให้เราสะดวกสบายเกี่ยวกับแง่ไหนแง่ไห น, นทรัพย์ ที่เป็นอริยทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นก็จะคอยอุดหนุนข้าจุนเราทุกยะทุกเวลามันก็ต่อสองสาระฉะนั้นเราสร้างเอาเราทำเอาเอาละจบแค่นี้ละ